ในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมขั้นต่างๆนั้นผู้ปฏิบัติเพ่งพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่มีส่วนต่อการสนับสนุนหรือต่อการบันทนการปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติถ้ามีปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติผลก็จะปรากฏขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วการปฏิบัติก็จะเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายถ้าสิ่งแวดล้อมปัจจัยบันทอน ขาดขวางการปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นได้ยากและการปฏิบัติก็เป็นไปได้ยากลำบากสิ่งที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่ผู้ปฏิบัติควรจะพยยิจารณาก็คือสถานที่ของการปฏิบัติอาหาร ที่รับประทานในสถานที่นั้นอากาศของสถานที่นั้นและบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นนี่คือปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะสนับสนุน <c oughs> หรือจะถ่วงการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติยังต้องพิจารณาให้ได้สถานที่ที่เรียกว่าสปายะสบายสะดวกสบายต่อการปฏิบัติอากาศก็สะดวกสบายต่อการปฏิบัติอาหารก็สะดวกสบายต่อการปฏิบัติบุคคลที่อยู่ด้วยก็สะดวกสบาย ต่อการปฏิบัติถ้ามีเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัปพายะการปฏิบัติก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นอย่างสะดวกสบายผลก็จะปรากฏขึ้นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วสถานที่ที่เราต้องพิจารณาก็คือว่า เป็นสถานที่สงบส ง, งัดวิเวกหรือไม่เป็นที่ปราศจากสิ่งบรบกวนใจเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะหรือไม่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นบ่อยๆถึงแม้ว่าจะเป็นวัดวาอาราม ก็ไม่ถึงที่จะถือว่าเป็นสถานที่สปายะเช่นวัดที่มีการก่อสร้างวัดที่มีงานสมโพธอะไรต่างๆวัดที่มีคนพลุกพล่านเข้าออกบางวัดถึงกับมีงานมหรสุบบันเทิงต่างๆ สถานที่อย่างนั้นจะไม่เอื้อต่อการปฏิบัติจะทำให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้อย่างยากเย็นท่านเก่งสอนภิกษุที่บวชใหม่ว่าไม่ควรไปอยู่ที่วัดที่มีมการก่อสร้างเพราะว่าจะไม่มีโอกาสที่จะได้ภาวนาเพราะจะต้อง ช่วยทางวัดทำงานก่อสร้างงานภาวนาคืองานเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะไม่ได้ทำหรือว่าถ้าได้ทำก็จะมีลูกเสียงกิ่นรสพทฏภะหอยรบกวนจิตใจทำให้การภาวนานั้นเป็นไปได้ยาก สถานที่นั่นจึงเป็นเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญผู้ปฏิบัติควรหาสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพชนิดต่างๆพูดถึงก็มาเลย ธรรมะแสดงผลให้เห็นทันทีทันตาถนน้าไปอยู่ตามสถานที่ที่มีคนมากมากมีของมากมากก็มักจะมีเรื่องมากมากปรากฏขึ้นมาสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติจึงเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่น้อยมีนักปฏิบัติอยู่กันน้อยอย่างหลงปู่มั่น ช่วงที่ท่านไปอยู่เชียงใหม่ไปบำเพ็ญที่เชียงใหม่ท่านมักจะอยู่องค์เดียวเวลามีพระมากราบท่านมาขอศึกษากับท่านถ้าอยู่กันนานและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นท่านเจ้าจะหลีกท่านก็จะปลีกเว้หนีไปอยู่ที่อื่นนอกจากในช่วงเข้าพรรษา ที่ไม่สามารถที่จะจะลึกไปไหนได้ท่านก็จะอยู่กับที่พระรูปใดมีบุญมีวาสนาได้ไปพบได้ไปอยู่กับท่านก็จะได้อยู่นานหน่อยก็จะได้อยู่ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันแต่พอหลังจากออกพรรษาแล้วท่านก็จะเปลีกตัวไปหาที่อื่น นักภาวนาที่แท้จริงนี้ต้องชอบที่สงบสงดัดวิเวกชอบอยู่ตามลำพังไม่ชอบคุกคีกับคนนั่นคนนี้เพราะการครุกคีนี้ก็จะทำให้เกิดการคิดความคิดปรุงแต่งต่างๆแทนที่จะเอาเวลามาควบคุมความคิดปรุงแต่งกลับเอาเวลามา ส่งเสริมความคิดตรุงแต่งด้วยการสนทนาคุยกันเรื่องราวต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่ได้คุยในเรื่องธรรมะเรื่องจากจิตใจนั้นยังไม่มีธรรมะจิตใจมีแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราก็มักจะคุยไปในทางกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลง ที่ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่สงบนะครับดังนั้นสถานที่ควรจะเป็นสถานที่ที่สงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงเช่นตามป่าตามเข า, อ า, าอากาศของสถานที่ก็ควรจะมีอากาศที่เหมาะสมหรือเหมาะกับธาตุขันธ์ของผู้ปฏิบัติ ถ้าเหมาะสมก็คือแบบกลางๆไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่แรงเกินไปไม่ฝนตกหนักมากจนเกินไปแต่ถ้าบางท่านมีท่าถันที่เหมาะกับอากาศหนาวเย็นก็เลือกไปตามอัธยาศัยบางท่านอาจจะมี ธาตขันที่เหมาะกับอากาศร้อนก็เลือกตามความเหมาะสมของตนเพราะว่าถ้าอากาศไม่เหมาะการปฏิบัติก็จะไม่สะดวกไม่สบายส่วนเรื่องอาหารก็คืออาหารพอเพียงหรือไม่แล้วอาหารที่เราประทานแล้ว มีโทษกับร่างกายหรือไม่อาหารบางแห่งบางสถานที่อาจจะไม่พอเพียงอาหารบางแห่งพอเพียงแต่มักจะทำให้เกิดท้องเสียบ้างหรือทำให้ท้องผูกบ้างทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างขึ้นมาพอร่างกายเจ็บไข้ด้วยป่วยได้ป่วย เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่สับ p a i ยะก็จะทำให้บั่นทอนการปฏิบัติเพราะเวลาร่างกายไม่สบายนี้ก็จะไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่นั่นเองนี่คือเรื่องของของอาหารส่วนเรื่องของบุคคล น, นี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ บุคคลที่เราอยู่ร่วมด้วยก็ควรจะเป็นบุคคลที่สัพไยะบุคคลที่สัพไยะก็คือบุคคลที่มีศีลมีธรรมถ้าเราได้อยู่กับคนที่มีศีลมีธรรมมากกว่าเราหรือเท่าเราก็จะเอื้อต่อการปฏิบัติ ถ้าเราอยู่กับคนที่เขามีศีลมีธรรมด้อยกว่าเราน้อยกว่าเราเขาก็อาจจะถ่วงเราได้ดังนั้นเราเวลาอยู่กับบุคคลเราก็ต้องหาบุคคลที่มีศีลมีธรรมโดยเฉพาะบุคคลที่เรานับถือยกย่องให้เป็นครูบาอาจารย์ของเราผู้ที่จะสั่งสอนเรา ท่านต้องมีคุณธรรมมีศีลมีธรรมที่สูงกว่าเราท่านถึงจะช่วยเหลือเรานําพาเราให้ไปสู่ผลที่เราต้องการไปได้บุคคลที่มีศีลมีธรรมหรือบุคคนที่เรียกว่าส ป, ปายะนี้เราจะพิจารณาอย่างไรท่านก็ให้พิจารณาดู ว, ว่า เป็นบุคคลที่มีความมักน้อยสันโดษหรือไม่ถ้าท่านไม่มักน้อยสันโดษนี่ก็ไม่ใช่บุคคลที่เราควรที่จะอยู่ร่วมด้วยท่านมีความอ่านชอบปริกวิเวกหรือชอบคุกคีกัน ท่านมีความขยันหรือมีความเกียรติการในการทําความเพียรท่านมีศีลที่บริสุทธิ์หรือไม่ท่านมีสมาธิหรือไม่มีปัญญาหรือไม่ท่านได้หลุดพ้นแล้วหรือไม่นี่คือคนสมบัติของบุคคลที่เราควรจะ พิจารณาถ้าท่านเป็นคนที่มีความมากน้อยสันโดษมีความชอบเิกวิเวไม่ชอบคุกขี่สมาคมชอบบำเพ็ญความเพียรชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิมีศีลที่สะอาดบริสุทธิมีสมาธิมีปัญญาและมีวิบุติคือการหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายบุคคลอย่างนี้แบบนี้จะเป็นบุคคลที่เรียกว่าสัพพายะคือเราจะได้รับประโยชน์เพราะว่าคุณสมบัติของท่านนี้เป็นคุณสมบัติที่เอื้อต่อการปฏิบัติเอื้อต่อการบรรลุทำขั้นต่างๆนั่นเอง ถ้าเราอยู่กับท่านท่านก็จะชวนให้เร า, เาให้เรามีความมากน้อยสันโดษให้เราชอบปีกวิเวกให้เราไม่ชอบคุกคีกันให้เราชอบเล่งความเพียรให้เราขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เรารักษาศีลให้บริสุทธ ให้เรามีจิตตั้งมั่นในสมาธิให้เราเจริญปัญญาเพื่อจะได้บรรลุจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี่คือปุคละบุคคลสัพพายะซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในบรรดาปัจจัยสิ่งแวดล้อม ต่างๆถ้าเราได้สถานที่ที่ดีได้อาหารที่ดีอากาศที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าผู้ที่จะทําให้เราจเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัตินี้ก็คือครูบาอาจารย์ ผู้ทรงคุณธรรมมีเองถ้าเราได้พบกับครูบาอาจารย์บุคคลที่ดีถึงแม้ว่าสถานที่จะไม่ดีมากนักออาหารไม่ดีมากนักออากาศไม่ดีมากนักแต่พอถูไถพอเป็นไปได้ก็ยังดีขอให้ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีไว้ก่อนเป็นหลั เพราะว่าการปฏิบัตินี้เราเป็นเหมือนกับคนตาบอดถ้าเราปฏิบัติไปโดยตามลำพังไม่มีผู้ที่รู้ทางผู้ที่มีตาพาเราไปเราก็จะต้องคํำไปเหมือนคนตาบอดคํำหาทางซึ่งก็จะอาจจะหาทางไม่เจอก็ได้ หรืออาจจะหลงทางก็ได้การปฏิบัติก็จะไม่ได้บรรลุผลนั่นเองแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ผู้รู้ทางผู้ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเป็นผู้นำพาเราไปถึงแม้ว่าสถานที่ที่ท่านอยู่อาจจะไม่สงบร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจจะมีกิจกรรมบ้างบา ง, บางอย่างวังเวลาแต่ก็ยังพอมีเวลาที่มีความสงบเช่นในยามค่ำคืนที่สามารถที่จะใช้การบำเพ็ญจิตตะภาวนาได้เดินจงกรมนั่งสมาธิได้อาหารอาจจะไม่ถูกกับเราแต่ก็ไม่ถึงกับทำให้เราต้อง เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถปฏิบัติได้อากาศอาจจะร้อนเกินไปหรืออาจจะหนาวเกินไปไม่สาบไม่ไม่สุขสบายแต่ก็พอถูถยไปได้อย่างนี้ก็ก็ไม่เป็นไรขอให้มีครูบาอาจารย์ผู้นำทางก็แล้วกันในทางตรงกันข้ามถ้า สถานที่สงบสงัดเงียบไม่มีอะไรเลยอาหารก็เหมาะกับร่างกายอากาศก็เหมาะกับร่างกายแต่ไม่มีครูบาอาจารย์หรือผู้ที่อยู่ด้วยไม่มีคุณธรรมไม่มักน้อยสันโดษไม่ชอบปีกิเวกชอบทุกข์ีกันไม่ชอบทำความเพียร ไม่มีสีลที่บริสุดไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีวิมุตติบุคคลอย่างนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์กับเราการปฏิบัติของเราก็จะไม่คืบหน้าจะไม่บรรลุผลเพราะเราไม่มีผู้นำทางนั่นเองนี่คือปัจจัยที่ผู้ปฏิบัติควรจะ พิจารณาเวลาที่จะออกปฏิบัติธรรมถ้าได้ได้สถานที่ที่ดีอากาศดีอาหารดีบุคคลดีก็ถือว่าเป็นวาสนาเป็นบุญแต่ถ้าการปฏิบัติยังไปไม่ถึงไหนก็ต้องโทษตัวเราเอง ที่เราไม่ผักดันไม่เกี่ยวเข็นตัวเราเองเพราะว่าการปฏิบัติปัจจัยหลักนั้นไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่บุคคลอยู่ที่อาหารอยู่ที่อากาศแต่อยู่ที่ตัวเราเองว่าเรามีอิทธิบาทสี่หรือไม่มีฉันทะวิริยะ จิตตวิมังสาหรือไม่อันนี้เราก็ต้องพิจารณาต่อไปถ้าเราได้ไปอยู่ในสถานที่สัปปายะมีบุคคลสัปปายะมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนเราแล้วเราได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่หรือไม่ได้ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนหรือไม่ ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ต้องเขี้ยวเข็นบังคับตัวเราเองให้พยายามปฏิบัติให้ได้เพราะถ้าเราไม่เขี้ยวเข็นบังคับตัวเราเองเราก็จะไม่ปฏิบัติแล้วเมื่อเราไม่ปฏิบัติผลก็จะไม่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติสิ่งที่เราต้องเขียวเข็นบังคับตัวเราก็คือการเจริญสติอันนี้เป็นตัวสำคัญมากเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเจริญก้าวหน้าในทางจิตตภาวนาเพราะว่าถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิได้ ถ้าใจไม่สงบเป็นสมาธิก็จะไม่สามารถใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆได้ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ไม่สามารถบรรลุทำขั้นต่างๆได้ดังนั้นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้อง บังคับตัวเราเองก็คือการเจริญสติต้องบังคับตัวเราเองให้อยู่ตามลำพังให้ปรีกวิเวกอยู่คนเดียวเพราะถ้าเราอยู่ใกล้กับสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงกับเหตุการณ์ต่างๆถึงเหล่านี้จะบั่นทอนจะมารบกวนการเจริญสติของเรา ทำให้เราไม่สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่สามารถเจริญสติให้ได้อย่างต่อเนื่องเราก็จะไม่สามารถทำใจให้รวมลงเป็นสมาธิให้เป็นเอขกขกตารุมคือรวมเป็นหนึ่งสัตว์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องบังคับก็คือ ต้องบังคับให้เจริญสติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเวลาเรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิก็ยังต้องเจริญสติอย่างสม่ําเสมอเจริญตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ต้องกําหนด อารมณ์ไว้เลยถ้าใช้พุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าใช้การเฝ้าดูร่างกายก็ต้องเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนับตั้งแต่ลืมอตาขึ้นมาจะลุกจากที่นอนก็ต้องเฝ้าดูให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายว่าตอนนี้กำลังลุกขึ้นมาตอนนี้กำลังยืนขึ้น กำลังจะเดินไปทำหน้าที่ต่างๆไปล้างหน้าล้างล้างม้ล้างมือไปอาบน้ำอาบท่าไปแต่งเนื้อแต่งตัวแปลงฟันทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทำของร่างกายไปถ้าไม่สามารถมีสติดึงใจให้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทาของร่างกายได้ ก็ต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธดึงเอาไว้ท่องพุทโธพุทโธไปในใจเป้าหมายของการกระทำเหล่านี้ก็คือไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆนั่นเองไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในปัจจุบัน ปัจจุบันจิตจะเป็นปัจจุบันก็ต้องมีการบริกรรมพุทธโธเพียงอย่างเดียวหรือมีการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาเพราะร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี่ถ้าใจเฝ้าดูร่างกายใจก็จะอยู่ในปัจจุบันถ้าอยู่ในปัจจุบันเวลานั่งสมาธิ ก็จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะความสงบนี้ต้องเข้าในขณะที่จิตอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองถ้าไปอยู่ในอดีตก็จะเข้าไม่ได้ถ้าไปอยู่ในอนาคตก็จะเข้าไม่ได้ถ้าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเข้าไปสู่ความสงบไม่ได้ถ้าอยู่กับพุทโธอย่างเดียวก็จะเข้าได้ หรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวก็จะเข้าได้หรือสำหรับบางท่านก็ใช้พุโทโธกับลมควบคู่กันไปก็ได้อันนี้แล้วแต่จริแล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติแต่ขอให้มีแต่สติอยู่กับการบริกรรมรืมสติอยู่กับการเคลื่อนไหว ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าร่างกายนั่งอยู่เฉยๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกบางท่านเวลาเริ่มนั่งสมาธิแล้วไม่สามารถที่จะเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกได้ไม่สามารถบริกรรมพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องเพราะใจยังมีกำลังที่จะออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็ให้ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ส่วนบทไหนที่เราจําได้ส่วนหลับตาสวดไปสวดไปภายในใจในขณะที่เรานั่งขัดสมาธิอยู่เพื่อเป็นการดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองพอเราสวดไปแล้วใจรู้สึกว่าเย็งสบายสงบเราก็หยุดสวดดูแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกต่อไป ถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นนี้เกาะติดอยู่กับลมหายใจได้ก็ดูลมหายใจเข้าไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลาสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าเป็นความสงบที่ว่างที่เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไปนานเท่าที่จะนานได้จนกว่า จะถอนออกมาเองยังไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเจริญปัญญาพิจารณาอะไรต่างๆการเจริญปัญญาการพิจารณาธรรมต่างๆนี้ต้องรอให้ออกจากความสงบก่อนเวลาออกจากความสงบแล้วเริ่มมีความคิดปรุงแต่งก็ให้ดึงเอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดในทางธรรม ไม่ปล่อยให้คิดไปในทางอาวิชชาปัจจยาสังขาราคือคิดไปในทางของความโลภความโกรธความหลงคิดไปในทางความอยากคิดไปในสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราว่าให้ความสุขกับเราว่าจะอยู่กับเราไปนานๆอย่าปล่อยให้ใจคิดไปอย่างนั้นให้ใจคิดไปในทางตรงกันข้าม ให้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขเราไปตลอดจะต้องมีเวลาที่จะต้องให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาหมดไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้น ต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปนั่นเองแล้วก็ไม่มีใครที่จะไปไปสั่งไปบังคับไม่ให้หมดไปได้นี่คือถ้าเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้คิดแบบนี้ถ้าใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ บ, นนนบุคคล น, นั้นบุคคลนี้ก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปให้คิดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาใจเรายังมีความผูกพันกับเรื่องใดกับสิ่งใดเราก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นสิ่งนั้นเพื่อให้เราเห็นว่าเขาเป็นว่าตายลัก เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะถ้าเราเห็นแล้วเราก็จะปล่อยวางจะไม่มีความอยากกับสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นเขาจะเป็นอย่างไรเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเวลาที่เขาไม่เป็นเขาก็จะทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราทุกข์ใจ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นไปไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขานี่คือการเจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากด้วยการเห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรานี่คือการเจริญปัญญาที่จะต้องทำหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าพิจารณาเป็นถ้าพิจารณาไม่เป็นก็ต้องใช้การเจริญสติประครับประคองใจไปก่อนเหมือนกับตอนก่อนที่จะเข้าสมาธิ ก็ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าไม่ได้ทำอะไรเดินจงกรมก็ดึงใจเอาไว้ให้อยู่ในปัจจบุจจบันให้อยู่กับพุทธโธก็ได้ให้อยู่กับการก้าวเท้าก็ได้ เวลาก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปดึงใจเอาไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วพออยากจะนั่งสมาธิก็ไปนั่งต่อแล้วก็ บริกรรมต่อหรือดูลมหายใจต่อใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อถ้าหมั่นทำอย่างนี้เรื่อยๆต่อไปสมาธิการนั่งสมาธิการเข้าสมาธิก็จะชนานาญจะสามารถเข้าออกได้ทุกเวลาที่ต้องการถ้ามีความชนานาญในการเข้าออกสมาธิแล้ว ทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องบังคับให้พิจารณาทางปัญญาถึงแม้ว่าจะพิจารณาไม่เป็นก็ต้องหัดพิจารณาหัดดูการเปลี่ยนแปลงหัดดูการเกิดการดับของสิ่งต่างๆเช่นดูดอกไม้ที่บานสดสวยที่เราเอามาปักไว้ในเจกันมาบูชาพระ ดูว่าดอกไม้ที่สวยงามนี้จะสวยงามไปได้กี่วันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อันนี้ก็เป็นการพิจารณาอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของดอกไม้เราจะพิจารณาดอกไม้แล้วมาเปรียบเทียบกับร่างกายของคนนั้นคนนี้ก็ได้เราพิจารณาคนตั้งแต่เขา คลอดออกมาจากท้องแม่เขาแล้วเวลาผ่านไปร่างกายเขาก็จะเริ่มเติบโตขึ้นไปที่เเล็กเทียบน้อยจนกระทั่งเติบใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนชราเป็นคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็กลายเป็นคนตายไปเราต้องหัดพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลก็มีสภาพเหมือนกันเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงอาจจะมีผลช้าเร็วต่างกันแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมีการเจริญแล้วก็จะต้องมีการเสื่อมหมดสภาพไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องบังคับถ้าเราพิจารณาไม่เป็น พิจารณาทางปัญญาไม่เป็นก็ต้องหมองครับให้พิจารณาหัดพิจารณาหัดดูการเปลี่ยนแปลงหัดดูการเจริญดูการเสื่อมของสิ่งต่างๆแล้วเราก็มาดูกับบุคคลหรือสิ่งที่เรามีความผูกพันมีความรักความชอบมีความหวงมีความห่วงอยู่ว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือไม่ ว่าร่างกายของเขาจะต้องแก่ไปเรื่อยๆจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดหรือไม่หรือทรัพสมบัติข้าของเงินทองสิ่งของต่างๆที่เรามีอยู่จะอยู่กับเราอย่างนี้ไปตลอดหรือไม่หรือว่าจะมีวันหนึ่งที่เรากับเขาก็จะต้องจากกันไป การจากก็มีได้หลายเวลาจากกันตอนที่ก่อนตายก็ได้หรือจากกันตอนที่ตายก็ได้อันนี้ไม่สำคัญแต่สำคัญที่ว่าจะต้องมีการจากกันอย่างแน่นอนนี่คือการเจริญปัญญาที่เราควรที่จ ะ, จะเจริญกันถ้าเรามีความจำนานในการเข้าออกในสมาธิแล้ว ถ้าเรายังไม่ชนานาญเราจะฝึกสมาธิไปก่อนเรื่อยๆก็ได้ถ้าเราไม่ถนัดในการเจริญปัญญาแต่ถ้าเราถนัดในการเจริญปัญญาเราก็ใช้การปัญญาการเจริญปัญญารักษาสมาธิไปในตัวก็ได้เพ่าเวลาใจเราคิดไปในทางปัญญามันจ ะ, ะระงับความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมา ที่จะมาทำลายความสงบของสมาธิถ้าไม่มีความอยากเวลาจะกลับเข้าไปในสมาธิก็จะกลับเข้าไปได้ง่ายเพียงแต่กำหนดสติมันก็กลับเข้าไปได้แต่ถ้าเราเจริญแต่สติเพียงอย่างเดียวหลังจากออกสมาธิมาแล้วเราก็กลับไปเข้าไปในสมาธิใหม่ไม่เจริญปัญญาเลย อย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการติดติดสมาธิการติดสมาธิความจริงก็ไม่มีโทษไม่มีความเสียหายต่อจิตใจเพียงแต่ว่ามันจะทำให้ไม่เจรินก้าวหน้าเพราะว่าสมาธินี้ไม่สามารถที่จะทำลายความอยากความทุกข์ได้อย่างถาวรท่านนั้นเป็นเหมือนหินทับยญ้าเพียงแต่ลังอับ ความอยากระ ง, งับความทุกข์ไว้ชั่วคราวในขณะที่จิตอยู่ในความสงบแต่เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วแล้วเผลอปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งไปทำความอยากแล้วไม่สามารถที่จะระ ง, งับความคิดปรุงแต่งนี้ได้ก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้แต่ถ้าคอยหมั่นจเจริญปัญญาอยู่เรื่อย เวลาเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาก็จะสามารถใช้ปัญญาเข้าไประ ง, งับตัณหาความอยากได้ดับความทุกข์ใจที่เกิดจากตัณหาความอยากได้แล้วก็จะสามารถดับได้อย่างถาวรเพราะว่าถ้าปัญญาเห็นว่าเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากได้ต่อไปปัญหาที่เรายังมีความอยากกันอยู่ ก็คือเรายังไม่เห็นสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ที่มันทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรมันไม่เหมือนเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงเวลามันเปลี่ยนแปลงความสุขที่เราได้เคยได้รับมันก็จะเปลี่ยนไปอยากสุขมากก็อาจจะเป็นสุขน้อยหรืออาจจะหมดไปเลยก็ได้พอหมดสุขก็จะมีความทุกข์เข้ามาแทนที่ ถ้าพิจารณาเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็จะหยุดความอยากในทุกสิ่งทุกอย่างได้พอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่มีการเกิดอีกต่อไปเพราะการเกิดก็เกิดจากความอยากนี่เองพออยากได้อะไรขึ้นมาก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมืออยากดูอยากฟังก็ต้องมีตาหู จมูกล่างกายเป็นเครื่องมือถ้ายังมีความอยากอยู่เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ถ้าได้มีภาวะที่จะทําให้ไปหาร่างกายใหม่ได้คือถ้าได้ใช้บุญใช้บาปไปแล้วก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มา พอได้เกิดก็ต้องได้ความแก่ได้ความเจ็บได้ความตายได้การพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบได้การประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบก็จะต้องมาพบกับความทุกข์อีกรอบหนึ่งก็จะวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีศีลมีสมาธิก็ยังต้องกลับมาเกิดอยู่เพราะว่าสมาธินี้ไม่ได้ทำลาย ความอยากเพียงแต่ระงับไว้ชั่วคราวพอกำลังของสมาธิหมดไปเช่นไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมพอกำลังของสมาธิหมดไปความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาก็จะดันให้เลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทศเพื่อมาหารูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็น ขั้นละเอียดที่เราเรียกว่ารูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เทวดาเสดกันแล้วพอความอยากมีเพิ่มมากขึ้นการเสดรูปทิพเสียงทิพก็จะไม่อิ่มไม่พอก็จะทําให้ต้องมาเกิดมาหาร่างกายเพื่อที่จะได้เสดรูปเสียงกลิ่นรสที่อยากที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ นี่คือเรื่องของการของการทำงานของความอยากเวลาที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิคอยควบคุมไว้มันก็จะลากจิตให้ออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายทันทีแล้วก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย ถ้าปฏิบัติได้เพียงแต่ขั้นสมาธิถ้ายังไม่ได้ถึงขั้นปัญญาถ้ายังไม่เห็นทุกขในสภาวะธรรมทั้งหลายในสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ใจก็จะถูกตันหาความอยาก ลากให้กลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องมาหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายใหม่แล้วก็มาทุกกับการหาความสุขอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เวลาเกิดความอยากแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างอยู่เป็นสุขไหมหรือว่าต้องดิ้นทําตามความอยากให้ได้คนที่อยากจะสู่ปรีนี้ เวลาไม่มีบุหรี่สูตรนี่เป็นอย่างไรเวลาคนอยากจะดื่มสุราหรือดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆที่ถูกออกถูกใจเวลาไม่ได้ดื่มแล้วรู้สึกอย่างไรมันก็เป็นเหมือนกับคนติดยาเสพติดดีๆนี่เองเพียงแต่ว่ามีน้ำหนักหนักเบาต่างกันเท่านั้นความอยากในยาเสพติดนี้มันนุนแรงมากกว่าความอยากอย่างอื่น แต่มันก็เป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันนักษณะเดียวกันคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเช่นเดียวกับการอยากดูอยากฟังการอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของความอยากท่านั้นเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากนี้จะอยู่ไม่เป็นสุขจะต้องไปทำตามความอยากแล้วถึงจะสุข ตายก็เป็นความสุขชั่วคราวเพราะเป็นการระบายความอยากให้ระงับตัวไปเวลาได้ทำความอะไรทำตามความอยากแล้วความอยากนั้นก็จะสงบไปสงบไปชั่วคราวแล้วอีกระยะหนึ่งมันก็จะหวนกลับคืนขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมาก่อกวนจิตใจใหม่มาอยากดื่มใหม่อยากดูอยากฟังใหม่ ใจก็จะกลายเป็นธาตของความอยากต้องคอยตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆ เ, เวลาใดที่ไม่สามารถตอบสนองความอยากได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่จะต้องรับเคราะคือความทุกข์ทรมานใจถ้าเป็นความทุกข์ทรมานใจที่รุนแรงและยาวนานก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้เช่นคนที่เป็นโรคร้าย เป็นอมมาเพิกอมมาพาดแล้วไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆได้เวลาเกิดความอยากก็จะไม่อยากจะทนอยู่กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ก, ก็จะคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้จะเป็นการดับความทุกข์ภายในใจได้แต่นี่ก็เป็นความเข้าใจผิดเช่นเดียวกัน เพราะว่าความทุกข์ความอยากไม่ได้อยู่ในร่างกายการได้ฆ่าร่างกายนี้ก็ไม่ได้ไปทำลายความทุกข์ความอยากที่อยู่ในใจฆ่าร่างกายแล้วความทุกข์ความอยากก็ยังมีอยู่อยู่ในใจอยู่แล้วก็จะมีความทุกข์มากขึ้นไปเสียด้วยซ้ำไปเพราะเวลาที่จะต้องฆ่าตัวตายนี้ จะเกิดความทุกข์มากขนาดไหนเพราะจะต้องฆ่าในสิ่งที่เรารักเราหวงที่เราอยากจะให้อยู่กับเราเป็นนา น, านอันนี้เป็นความหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราเกิดไปตกทุกข์ได้ยากมีสภาพร่างกายที่ไม่สามารถเอื้ออำนวยต่อการหาความสุขได้ก็ขอให้เรา พยายาม ห, หันเข้ามาหาความสุขทางใจหันมาฝึกทาใจให้สงบจเจริญสติจเจริญพุทธโธไปถึงแม้ว่าจะช้าไปมากก็แล้วกันก็ไม่เป็นไรมาทำก็ ย, ยังดีเผื่อเผื่ออาจจะทำได้ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดปรุงแต่งที่อยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ใจสงบได้ เราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายกับการพิกลพิการของร่างกายเราก็ยังสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้แต่ทางที่ดีเราควรที่จะฝึกทาเสียตั้งแต่ขณะที่ร่างกายนี้ยังไม่เป็นอะไรจะดีกว่าเพาตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วพิกลพิการแล้ว อาจจะทำไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าเราฝึกทาเสียตั้งแต่บัด น, นี้หัดเจริญสติตั้งแต่บัด น, นี้ไปควบคุมจิตใจไม่ให้คิดไปในทางความอยากในทางกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาใจของเราก็จะสงบมีความสุขได้แล้วเวลาเกิดมีปัญหาทางร่างกายเจอโรคร้าย พี่คนพี่การไปไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรายังหาความสุขได้ด้วยการเจริญสติด้วยการทำใจให้สงบแล้วถ้าเราสามารถเจริญปัญญาได้ก็จะยิ่งดีใหญ่จะยิ่งสบายใหญ่เวลาร่างกายเป็นอะไรไม่จำเป็นจะต้องเจริญสติไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ ถ้ามีปัญญาก็ตัดความอยากได้พอไม่มีความอยากก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไปร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยรือไม่จะพิกลพิการหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะว่าใจไม่ได้พึ่งร่างกายแล้วใจได้ที่พึ่งที่ดีกว่าก็คือได้ธรรมังสระนังกระฉามิ ได้ธรรมะเป็นที่พึ่งได้ปัญญาเป็นที่พึ่งพอมีปัญญาแล้วก็จะหลุดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆได้จะไม่มีภัยอะไรต่างๆที่จะเข้ามาทําลายจิตใจสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจได้เลยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องบังคับตัวเราเองถ้าเราได้สถานที่ที่ดีแล้ว ได้อาหารที่ดีได้อากาศที่ดีได้บุคคลที่ดีสัพยาะแล้วถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องบังคับตัวเราให้ปฏิบัติให้ได้ให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อ ย, เ, อยเพราะการเห็นความแก่ความเจ็บความตายนี้จะเป็นเหตุที่จะผลักดันให้เราต้องรีบปฏิบัติกัน เพราะว่าเรารู้ว่าต่อไปเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายเราจะไม่สามารถปฏิบัติได้นั่นเองนี่คือวิธีที่เราจะต้องพิจารากันในการที่จะส่งเสริมผักดันให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างสะดวกสบายเป็นไปเพื่อบรรลุทาขั้นต่าง อยู่ที่การพิจารณาถึงเหตุปัจจัยแวดลอ้อมและอยู่ที่การผักดันตัวเราเองให้ปฏิบัติไม่ให้ไปเสียเวลากับภารกิจการงานอย่างอื่นเพราะว่าผลที่ได้รับจากภารกิจการงานอย่างอื่นนี้ไม่มีประโยชน์กับจิตใจมากนะอย่างมากก็ได้แค่ขั้นทาน คือได้การได้บุญที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเท่านั้นแต่บุญที่ได้จากขั้นตอนนี้ไม่พอที่จะทำให้ใจสงบระงับความอยากได้ไม่ไม่พอต่อการที่จะทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้ความอยากจะหมดไปจากใจได้ก็อยู่ที่การเจริญสติสมาธิและปัญญาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการปฏิบัติเจริญเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองจึงขอให้ท่านได้นำเอาเรื่องราวที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทามที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุตติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารวาหาปุราปารุปเรนติสาคลรังเอวเมวอิโตทินางเปตานาังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหงังคิดป้าเมวสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะวะโสยทธามณนิโชติระโสยทธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตะวันตราโยสุขีธีขายุโภพะอภิวาทานสีลิกจะนิจังวุฒาปจายโน ตาโรธรรมาวทานติอายุวโนสุขังภาลั ง, งถ้ามีคําถามเวลานั่งสมาธิในช่วงแรกจะดูลมหายใจที่สุดปลายจมูกพอเริ่มรู้สึกนิ่งบ้างแล้ว จะค่อยๆเคลื่อนถานไปจนถึงที่โครงกลางอกไม่ได้บริกรรมใดๆแต่บางครั้งก็ย้ายฐานจากจุดถึงกลางอกมาดูรูปที่ตั้งอยู่ทั้งกายบางครั้งก็รู้สึกสบายกว่าคำถามคือหนึ่งไม่ทราบว่าการวางสิ์ไว้ที่ฐานกายคือดูทั้งรูปกับการย้ายสิตกลับไปอยู่ที่จุดเดียวที่ใจจมูก หรือจุดเดีจุดหนึ่งเวลาจุดสงบลงอันไหนเป็นสิ่งที่ควรทํามากกว่ากันคะถืออันไหนที่ทํา้า้มันสงบก็อันนั้นแหละตามหลักก็ควรจะเอาจุดเดียวถ้าปลายจมูกก็อยู่ที่ปลายจมูกอย่าไปย้ายมันให้มันอยู่จนกระทั่งมันรวมเข้าสู่ความสงบมันไม่สําคัญว่าจะต้องอยู่ตรงจุดไหนจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ อย่าย้ายไปย้ายมาเพราะการย้ายนี่จะเป็นการทําให้จิตเริ่มเคลื่อนไหวจิตเริ่มมีการปรุงแต่งดังนั้นถ้าเราตั้งตั้งจิตไว้ที่ตรงจุดไหนเช่นที่ปลายจมูกก็ให้อยู่ตรงปลายจมูกนั้นไปจนกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นเอกขัตารมเป็นอุเบกขาไปลมหายไปจากความรู้สึก เนื้วแต่ความว่างเอาเอ า, เอาที่จุดเดียวอย่าไปย้ายอย่าไปย้ายฐานการย้ายฐานก็ทําให้จิตมีการเคลื่อนไหวก็เหมือนเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่พอนั่งจิตจะสงบ ก, ก็ไปย้ายฐานใหม่ก็เหมือนกับไปกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่มันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเอาจุดเดียวถ้าที่ปลายจมูกก็ให้รู้อยู่ของปลายจมูก ไม่ต้องย้ายไปที่กลาง อ, อกถ้าจะอยู่กลาง อ, อกก็เอาอยู่ที่กลาง อ, อกเลยอย่าย้ายไปย้ายมาตอนที่คุยกันเพื่อนเขาพูดว่าพอไปรู้ทั้งกายว่ากลาลังนั่งอยู่มันสนุกกว่าต้องกลับไปอยู่ที่ใจสงบอีกไหมคะก็นั่นแหละเพราะว่ามันไปรู้อย่างนั้นก็เริ่มไปคิดปรุงแต่งแล้ว ม, มันถูกหรอกละมันเพลอละมันไม่อยู่กับ อารมณ์เดียวแล้วมันว่มีหลายอารมณ์เข้ามายุ่งเกี่ยวมันไม่เป็นหนึ่งการนั่งสมาธิต้องการให้มันเป็นหนึ่งให้มันรู้เรื่องเดียวอยู่ที่จุดเดียวเขาบอกว่าถ้ามันสงบแล้ว ไม่ควรย้ายฐานไปแล้วหรือถ้ามันเคลื่อนไปที่ไหนก็สงบสติตามรู้ถ้ามันสงบจริงมันไม่เปไหนแล้วล่ะมันว่างมันเป็นอุเบกขาแล้วถ้ามันยังไปไหนมาไหนก็แสดงว่ามันยังไม่สงบหอีกคำถามหนึ่งเหมือนกับท่านเคยไปบ้างแล้วค่ะเคยได้ฟังว่าถ้าอยู่ในสมาธิยังไม่ให้ออกยังไม่ให้เคยปัญญาพิสเรณา รอจิดทอนออกมาจากสมาธิก่อนคำถามคือเวลาจิตถอนแล้วเริ่มคิดจูงแต่งขึ้นมาควรนั่งสมาธิหลับตาต่อแล้วใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ต่อจากนั้นหรือหมายถึงเอาสติกับปัญญามาใช้พิจารณาหลังจากออกจากสมาธิแล้วมาทําิตำในชีวิตประจำวันได้ทั้งนั้นเนะี่ยพอออกจากสมาธิแล้วเรื่องอิริยาบทของวร่างกายนี้ไม่สําคัญ จะนั่งต่อจะพิจารณาขณะที่นั่งอยู่ต่อก็ได้หรือจะออกมาทาภารกิจต่างๆหรือมาเดินจงกรมก็สามารถพิจารณาทางปัญญาได้พอใจพอคิดแล้วก็ต้องควบคุมต้องควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางอาวิชชาปัจญาสังขาราให้คิดไปในทางธรรมมาปัจญาสังขาราก็ให้คิดไปในทางธรรม คิดไปในทางตายลักคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่ดึงมาคิดก็จะถูกความหลงโมหะอวิชชาดึงไปคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราต้องอยู่กับเราไปนานๆนนทันทีพอมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็จะเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้ แต่ถ้าคิดไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาแขนหักก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร <c oughs> เพราะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแล้วหัวเราะได้ <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้คิดไว้ก่อน <c oughs> พอคิดจะไปทำนู่น <c oughs> ทำนี่ <c oughs> พอไม่พอแขนหักไม่สามารถไปทำน่น <c oughs> ทำนี่ได้ก็วุ่นวายใจละนี่คือสิ่งที่เราต้องทำ คิดไว้เพื่อที่จะได้ป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเวลาที่ไปเจออนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารคือการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่คิดไว้พอเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะวุ่นวายใจจะเดินหาหมอหาอยู่ขายยาอยากจะให้หายเร็วๆอยากจะให้กลับมาเป็นปกติ เพื่อจะได้กลับไปทําอะไรตามความอยากต่อไปได้แตถ้าพิจารณาว่าสักวันหนึ่งสังขารร่างกายนี้มันจะต้องมีการเป็นไปถึเงเวลานั้นเวลามันเป็นก็พุโทโธไปอยู่ในเตียงก็พุโทโธไปทําใจให้สงบไปก็จะมีความสุขยิ่งกว่าการใช้ร่างกายหาความสุขเคยอีกอันนี้ต้องทําได้เวลาออกจากสมาธิแล้วนี่ร่างกายจะอยู่ใน ถ้าไหนจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็พิจารณาได้ถ้าใจเริ่มคิดแล้วอย่าปล่อยให้คิดไปในทางอวิชชาท่านั้นเองอย่าปล่อยให้คิดไปตามความอยากความโลภต่างๆให้คิดไปในทางปัญญาเพื่อจะได้หยุดความโลภความอยากเพราะถ้าเราไปทาตามความโลภตามความอยากแล้วมันไม่มีวันจบบทเรื่องนี้มันก็มีความโลภความอยากกับเรื่องใหม่ต่อไปเรื่อยๆ ท่านถึงบอกว่างานทางโลกนี้ไม่มีวันจบทำไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดเพราะความอยากมันไม่หมดพอหมดงานนี้มันก็อยากจะทำงานใหม่ต่อไปถ้าเราทำงานทางธรรมคือเจริญปัญญาจนสามารถตัดความอยากให้หมดไปแล้วก็จะไม่มีงานให้ทำอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากเพราะไม่มีความอยากมันก็ไม่รู้จะทำาอะไร มันก็เลยเป็นคนตกงานเป็นคนว่างงานไปเป็นวุ้สิตังบ ร, รมมะจารย์ไปแต่กิจในบรัมมะจันไม่มีกิจอืน่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีความอยากจะทำนั่นเองนี่คือปัญญาปกติแล้วใจเราพอออกจากสมาธิมานี่มันจะคิดไปในทางปัญหาความอยากไปทางความโลภทันทีเพราะมันเป็นนิสัยของ ความจิตที่ยังไม่มีปัญญานั่นเองถึงแม้จะมีฌานสมาธิขั้นไหนก็ตามมีขั้นฌานสมาบัติพอออกมาปั๊บมันก็จะคิดไปในทางความอยากทันทีอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นทันทีถ้าไม่มีปัญญามันก็จะพาให้เราไปทำสิ่งต่างๆตามความอยาก พอทาแล้วไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความไม่สบายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาครับเพราะว่าสิ่งต่างๆนี้เราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้มันเป็นไปตามความอยากของเราได้นะแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาเราก็จะหยุดอยากเราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรต้องทำสิ่งต่างๆในโลกนี้ทาไปก็เท่านั้น ของต่างๆในโลกนี้มันก็เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นทําแล้วก็หมดไปเดี๋ยวมันก็เสื่อมหมดไปสร้างเตกกีหลังต่อไปเตกนั้นมันก็เก่ามันก็พังไปคนที่ใช้เตกนั้นก็แก่เจ็บตายไปหมดก็มีคนเกิดขึ้นมาใหม่มาใช้กันใหม่ต่อก็ต้องสร้างเตกใหม่กันต่อไปมันก็ทําอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดงานเหล่านี้ทำก็ได้ไม่ทําก็ได้ มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจแต่อย่างไดมันไม่ได้ดับตัณหาความอยากตัดความโลภความโกรธความหลงให้มันน้อยและให้มันหมดไปเลยแต่กลับจะเสริมความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้มีเพิ่มมากขึ้นไปสีอกิงานทางโลกจะเป็นอย่างนี้เป็นงานส่งเสริมกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆมีงานทางธรรมเท่านั้นแหละที่จะตัด ความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปได้ <ereal judgment> ถ้ายังมีความโลภความอยากอยู่ภายในใจต่อให้มีทรัพย์สมบัติกองเท่าภิวเขาก็จะไม่มีความสุขเหมือนกับคนที่ไม่มีความโลภความอยากประเด็นสําคัญของเราจึงไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่ามีความอยากหรือไม่มีความอยากถ้ามีความอยากก็จะไม่มีความสุข ถ้าเป็นความสุขก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่ามันจะต้องหมดไปความสุขปลอมนี้จะต้องหมดไปแล้วพอหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาทันทีดังนั้นไม่มีงานอะไรที่สำคัญเท่ากับงานทำลายความอยากนี่เองถ้าเราทำลายความอยากได้แล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไป ความสุขก็จะมีอยู่ภายในใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอากาลิโกทางทางเฟซบุมีปัญหาอะไรไั้มครับต่อไปเป็นคำถามจากผู้ฝากถามที่นี่ก่อนนะครับการปัวว่าจะนอนไม่หลับแล้วก็นอนไม่หลับจริงๆอยากจะกลาบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะกแก้ไขได้อย่างไรแล้วถ้าจะค้นหาสาเหตุ จะทำได้อย่างไรการคลายกังวลด้วยการทำสมาธิขณะที่ใจไม่ยอมคลายด้วยจะเริ่มต้นได้อย่างไรปัญหาของการที่นอนไม่หลับ ก, ก็คือความอยากนี่แหละความอยากในเรื่องราวต่างๆที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้มันก็เลยข้างค้างอยู่ภายในใจทำให้เวลาที่จะนอนหลับ ก, ก็ไม่หยุดคิด ถ้าใจไม่หยุดคิดมันก็จะหลับไม่ได้แล้วพอนอนไม่หลับก็เกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาอีกตัวหนึ่งคืออยากจะหลับยิ่งอยากจะหลับมันก็ยิ่งไม่ไม่หลับใหญ่ยิ่งเครียดใหญ่วิธีที่จะแก้ก็ต้องแก้ความอยากสองตัวนี้ความอยากตัวแรกก็คืออยากไปอยากในสิ่งต่างๆอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไร ถ้าไม่ได้ก็ยอมมันเสียยอมรับว่าไม่ได้แล้วก็จบก็จะนอนหลับได้ถ้ายังนอนไม่หลับแล้วเกิดความอยากจะนอนหลับก็ต้องอย่าไปอยากนอนหลับเพราะยิ่งอยากจะหลับมันยิ่งไม่หลับใหญ่ต้องยอมทนไปกับมันว่ามึงไม่หลับก็ไม่เป็นไรมึงไม่หลับกูก็ลุกขึ้นมาทำอะไรต่อก็ได้ไม่หลับก็ขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งสมาธิไปหรือทาอะไรไปก็ได้ แต่อย่าไปกินไปดื่มของที่จะทำให้ไม่หลับก็แล้วกันเช่นไปดื่มกาแฟดื่มน้ำชาดื่มสิ่งที่มีคาเฟอีนคาเฟเอีนอยู่ในในเครื่องดื่มดื่มก็ไปแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายตึนขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ยอมหลับจริงๆก็ลุกขึ้นมาทำอะไรให้มันเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ลงลงไปนอนถ้าไม่ไม่หลับก็นอนลืมตาไปอย่างนั้นแต่ถ้าไม่อยากให้ถ้าไม่อยากให้หลับแล้วเดี๋ยวมันหลับเอง ถ้าไปอยากให้หลับแล้วมันจะไม่หลับความอยากนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้ใจไม่ยอมอยู่ลิ่งนั่นเองมันจะคิดหาทางนู้นหาทางนี้อยู่เรื่อยไปอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลานอนก็พุโทโธพุโทโธไปแต่ข้อสาคัญอย่าไปพุโทโธเพราะอยากจะให้มันหลับพุโทโธเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไป หรือเปิดเทปซีดีฟังไปก็ได้บางทีเปิดฟังซีดีไปพักหนึ่งมันไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีความอยากที่จะหลับเดี๋ยวมันก็หลับเองครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเฟร์บูพระอาจารย์สุชาติอพิชาโตนะครับคำถามจากคุณเนศนะครับคำว่าเจ้ากรรมนายเวรในพุทธศาสนาหมายความว่าอย่างไรทาไมเดี๋ยวนี้ มีแต่คนมาหากินกับคําว่าเจ้ากรรมนายเวรเยอะจังผมอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเจ้ากรรมนายเวรก็คนจะเป็นคนที่เราเคยไปก่อกรรมก่อเว ร, ร, ก, ร, รกับเขาไว้ในอดีตนั่นเองเราเคยไปทําร้ายเขาไปกันแกล้งเขาไปสร้างความทุกข์ให้กับเขา เขาก็จะมีความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับเราเวลาเรามาพบกันนี่มันจะรู้ทันทีเวลาเราเห็นใครเราไม่ชอบที่หน้าแล้ว แ, แดงว่าเนี่ยหลับเป็นคู่กรรมของเราเวลาเราเจอใครแล้วเราชอบกันเนี่ยอันนั้นก็เป็นคู่บุญของเราพอเจอคนที่ไม่ชอบที่หน้าเราก็มักจะทำอะไรที่ที่จะทำให้เขาไม่ไม่สบาย ทำให้เขาเดือดร้อนเพราะมันเป็นความรู้สึกของของกิเลสตัณหาของทุกๆคนวเวลาเจอคนที่ไม่ชอบก็อยากก็อยากจะทำร้ายเขาอยากจะทำร้ายเข า, าเวลาเจอคนที่ชอบก็อยากจะส่งเสริมเขาอยากจะช่วยเขาการที่เราชอบหรือไม่ชอบก็เพราะว่าในอดีตนั้นเรามีมีมีปัญหากับเขานั่นเอง ถ้าเคยมีปัญหากันเคยทะเลาะวิวาทกันโกรธกันเกลียดกันเวลามาเจอกันในชาตินี้ก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นต่อกันถ้าเราเคยช่วยเหลือกันเคยรักกันเคยชอบกันเวลามาเจอกันในพบนี้ชาตินี้ก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นนี่คือคำที่มาของคำว่าเล่ากรรมนายเวรแล้วก็ไม่มีวิธีใดที่เราจะทำ ไม่ให้เขามาจองกรรมจองเวรกับเราได้มีวิธีเดียวที่เราทําได้ก็คือเราต้องรับกรรมไปคือทําใจให้เป็นอุบเบกขาไว้แล้วก็แผ่เมตตาไปก็ได้แผ่เมตตาก็คือไม่ถือสาเขาจะทําอะไรกับเราเราก็คิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็แล้วกันถ้าเราแผ่เมตตาไม่ได้ก็ให้ใช้อุบเบกขาไปก็ได้ หรือให้คิดว่าดีแล้วที่เขาเิีงแต่ไม่ชอบเราเขายังไม่ตีเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วคนเราเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคนบางคนอยากจะต า, กตายก็ต้องเสียเงินไปซื้อยาพิษมากินนี่เราไม่ต้องเสียเงินเสียตังมีคนมาทําให้เราตาย ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับเจ้ากรรมนายเวรไม่มีวิธีอื่นคนที่ทามาหลอกให้เราไปทําบุญสเสดาจเราะ์ด้วยวิธีการต่างๆนี้ไม่ได้เป็นการที่จะไประ ง, งับกรรมเวรได้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวรเท่านั้นถ้าไม่อยากมีเวรมีกรรมกับใครก็อยากไปจองเวรจองกรรมกับใครเวลาใครทําอะไรให้เรากโกรธแค้นโกรธเครือง ก็ให้อภัยไปแผ่เมตตาไปหรือให้เจริญอุเบกขาไปคิดว่าดีแล้วที่เขาไม่ทำอะไรที่ร้ายแรงกว่านี้แล้วเรื่องมันก็จะจบพอเราไม่ไปตอบโต้เขาแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกถ้าเขาด่าเราเราไปได่าเขาเดี๋ยวเขากลับมาตีเราพอเขาตีเราเราไปตีเขาเดี๋ยวเขากลับมาฆ่าเราได้มันก็จะไม่มีวันสิ้นสุดพอเขาฆ่าเราชาติหน้าไปเจอเขาเราก็อยากจะฆ่าเขาอีก มันก็จะต่อกันไปเป็นภพเป็นชาติไม่มีวันสิ้นสุดอย่างที่พระพุทธเจ้ากับพระเทวทัศนี้เป็นคู่กรรมเจ้ากรรมนายเวรกันมาตลอดจนถึงาชาติสุดท้ายก็ยังมาจองเวรจองกรรมมาบวชเป็นพระด้วยกันก็ยังมาพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งสามุนด้วยกันแต่เนื่องจากบา ร, รมีของพระพุทธเจ้านี้มีพลานุภาพมากทาให้ไม่สามารถที่จะ ถ่าพระพุทธเจ้าได้ทำได้เพียงแต่ทำให้พระบาทท่อเลือดเท่านั้นเองแต่การกระทาแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันตรายกรรมคือเป็นกรรมที่หนักหน่วงอย่างยิ่งพอตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในในนรกแต่เนื่องจากว่าก่อนที่จะตายนี้ได้สำนึกความผิดของตนได้ขอขมาลาโทษต่อพระพุทธเจ้าโดยการถวายกรามให้กับพระพุทธเจ้า พุทธเจ้าบอกว่าการที่เราสำนึกความผิดนี่ก็จะทำให้ยังมีโอกาสที่จะกลับมาทำความดีได้คือหลังจากที่ไปใช้กรรมในนรกออกมาแล้วก็จะกลับมาปฏิบัติทำต่อได้แล้วจะบรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรวิธีที่จะระ ง, งับกรรมระ ง, งับเวรก็คือ เราต้องไม่จองเวรจองกรรมกันเราต้องแผ่เมตตาคือให้อาภัยกันถ้าไม่สามารถแผ่เมตตาให้อาภัยได้เราก็จะเลียนอุบเบกขาทําไปทําใจให้นิ่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยอย่าไปตอบโต้อย่าไปทําอะไรที่จะทําให้เกิดกรรมเกิดเวรเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วต่อไปกรรมนั้นมันก็จะหมดกาลังไปเอง พอมันได้ส่งผลแล้วมันก็จะอ่อนกำลังไปเหมือนกับพายุฝนที่มาเป็นเป็นมาทั้งเต็มท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดแต่พอฝนได้ตกลงมาแล้วเดี๋ยวพายุนั้นก็หมดไปท้องฟ้าก็จะสว่างสวัยขึ้นมาฉันใดเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่เกิดจากเจ้ากรรมในเวรพอเขาได้ทำแล้ว มันก็จะผ่านไปมันก็จะหมดไปเองแต่ถ้าเราไปตอบโต้มันก็จะไปทําให้มันไม่มีวันหมดคําถามข้อต่อไปจากคุณกระหนกศรีนะครับทำทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่าอย่างไรอันนี้เราพิจารณาดูที่เห็นก็เขียนว่าสปเปสังขารานิจาราสปเปสังขาราทุกขา แต่พอมาถึงอนัตตาก็ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเท่าที่เราพิจารณาดูก็คือสังขารก็คือสิ่งที่มีการปรุงแต่งขึ้นมาคือเป็นการที่เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งห้าทั้งหกนี่เองช่นร่างกายของเราเนี่ยเป็นสังขารที่มีการรวมตัวของธาตุสี่คือดินน้าลมไฟแล้วก็ ธาตุที่ห้าก็คือใจและธาตุที่หกก็คืออากาศธาตุธาตุทั้งหกนี่แหละที่เป็นเรียกว่าธรรมเป็นธรรมเพราะว่าธาตุนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นอนิจจาธาตุดินก็จะเป็นอนิจจาไปเรื่อยๆธาตุน้ําก็จะเป็นธาตุน้ําไปเรื่อยๆธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศธาตุรู้นี่ก็จะเป็นอย่างนั้นไปไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเวลามาผสมรวมกันเช่นธาตุทั้งสี มารวมกันก็ทําให้ปรากฏเป็นสัตว์เป็นเป็นวัตถุเป็นข้าวของต่างๆของที่รวมกันขึ้นมาด้วยท่านี้เราเรียกว่าสังขารอันหนึ่งบอกสังขารไม่เที่ยงมีการรวมตัวแล้วก็มีการแยกกันเป็นทุกข์เพราะว่าเวลาสังขารแยกกันจิตที่มายึดติดกับสังขารนั้นก็จะต้องทุกข์เพราะอยากจะไม่ให้แยกออกจากกัน ส่วนสัพเพธมาณตาท่านก็คือบอกว่าธาตุทั้งหกนี่เละที่เป็นธรรมเนี่ยสัพเพธมาก็คือธาตุทั้งหกนี้เป็นอนัตตาดินน้ำลมไฟอากาศธาตุรู้นี้ไม่มีตัวไม่มีตนคําถามข้อต่อไปจะคุณวันเพนนะครับเคยทําสมาธิบ่อยฟุ้งซ่านมากเลยหยุดแต่ทําบุญหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลย แล้วช่วงนี้กลับมาทําสมาธิอีกรู้สึกสงบมากเลยและสบายเสียอยู่ว่าขาดครูบาอาจารย์สอนเลยเดินจงกรมไม่เป็นกรุณาเมตตาแนะนำการเดินจงกรมและสอนเรื่องสติปกติเป็นคนอารมณ์ร้อนมากแต่ฝึกตนดีขึ้นมากแล้วอยากขอคําแนะนำจากพระอาจารย์ ก็ฟังเทศกันเนี่แหที่เทศทั้งตั้งแต่ต้นมานี่ก็สอนเรื่องการเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญปัญญ า, เ, าเดี๋ยวกลับไปฟังต่อต้นก็นแล้วกันแล้วเรื่องการเดินจงกรมมัครับพระอาจารย์ก็บอกแล้วไงเดินจงกรมกใกล้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายาร่างกายก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าขวา่าไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าไม่ยอมอยู่กับการก้าวเท้าซ้ายขวาก็ให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปแทนก็ได้ครับคำถามข้อต่อไปจะคุณม้ํมเจไดนะครับอยู่ๆเห็นจิตกับกายแยกออกจากกาันชัดเจนขณะที่รู้ถึงขนาดว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบา กายเหมือนขอนไม้เลยเฉยเลยจิตเป็นตัวควบคุมกายทุกอย่างแต่การรู้นี้รู้แค่คับเดียว<ม>ก็ถอนออกมาเองงงๆนิดนึงว่ามันเกิดขึ้นได้ไงแต่ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นเลยวันนั้นดีใจทั้งวันเลยมีกำลังใจมากอัศจรรย์มากหลังจากวันนั้นทำสมาธิก็ไม่เห็นแล้วค่ะ กับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะเห็นมันรู้แบบนั้นอีกไหมคะหรือว่ารู้แค่นั้นแล้วเราก็จะไม่รู้อีกแล้วหรือว่ารู้แล้วก็สักแต่ว่ารู้ไปคะแต่ตอนนี้ลูกก็ภาวนาต่อไปตามปกติเพียงแต่สงสัยว่ามันรู้แค่แป๊บเดียวแค่นั้นเองหรือว่าสามารถรู้ได้มากกว่านานกว่านั้นอีก ก็ทำแบบเดินไปทำแบบที่ทำให้รู้แบบนั้นเหตุเป็นอย่างไรผลมันก็จะเป็นอย่างนั้นครั้งต่อมาที่เราทำนี้เราไม่ได้ทำแบบนั้นเรามานั่งเห็นมานั่งคิดแต่ผลคืออยากจะให้มันแยกออกจากกันโดยที่เราไม่ได้ทำเหตุมันก็จะไม่แยกออกจากกันครั้งแรกที่มันแยกออกจากกันนี่มันแยกอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเช่นเรามีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็จะแยกออกจากกันเองพอมันแยกออกจากกาันเวลาออกจากสมาธิมามันก็จะรวมเข้าหากันตอนนั้นเราก็ใช้ความคิดตงแต่งมาเตือนใจเราให้รู้ว่าร่างกายกับใจนี้มันแยกมันเป็นคนละส่วนกันแล้วพยายามปล่อยวางร่างกายไม่ว่าเวลาทําอะไรเวลาเกิดเหตุการณ์กับร่างกายอย่างเช่นเวลาเกิดอุบัติเหตุ แขนหักขาหักอย่างนี้ก็หัวเราะไปยิ้มไปว่าเอ่อร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเอ่อร่างกายนี้เป็นทุกข์เนี่ยเราต้องใช้ปัญญามันถึงจะแยกได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าจะรอให้มันแยกแต่เฉพาะเวลาอยู่ในสมาธินี่มันจะไม่เป็นประโยชน์มากนักเพราะว่าเหตุการณ์จริงมันไม่ได้เกิดในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเหตุการณ์จริงมันเกิดในขณะที่เราออกจากสมาธิมา ออกมาแล้วร่างกายหิวก็ปล่อยมันหิวไปดูเช่นอดข้าวสักสามวันอย่างนี้ก็เราไม่ใช่เป็นร่างกายเราจะไปเดือดร้อนแทนร่างกายทําไมถ้ามันแยกกันจริงมันก็ต้องปล่อยวางร่างกายได้มันหิวก็ปล่อยมันหิวไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันจะเจ็บไข้ได้ปล่วยก็ปล่อยมันเจ็บไปอันนี่คือการทดสอบว่าเราแยกจริงหรือไม่พอจากสมาธิแล้วมาปั๊บก็หยุดกินข้าวสักสามวันเลย พิสูจน์เลยว่าแยกกันจริงหรือเปล่าด้วยแยกปลอมถ้าแยกจริงก็จะไม่เดือดร้อนหดสามวันก็ได้ห้าวันก็ได้เก้าวันก็ได้ถ้าใจไม่ได้เป็นร่างกายแล้วใจจะไปวุ่นวายกับความหิวของร่างกายทำไมก็เหมือน ก, กายเป็นพี่กายเป็นนา ย, ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจใจมีข้าวกินแต่กายไม่มีข้าวกินก็เรื่องของบ่าวไปเนะียคนใช้ไม่มีกินข้าวเจ้านายไม่เนเดือดร้อนเลย เจ้านายมีข้าวกินมีสมาธิมีปัญญามันก็ไม่หิวเท่ากับมีอาหารกินส่วนกายมันเป็นบ่าวมันจะมีอาหารกินไม่มีอาหารกนินก็เรื่องของมันมันเป็นคนใช้เราไม่ต้องไปกังวลกับมันนี่คือถ้าอยากจะแยกกันอย่างทาวรต้องแยกตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วแล้วต่อไปมันก็จะปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะอดมือ้อกินมือ้อร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะ เป็นอะไรใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะมีปัญญาคอยแยกกายออกจากใจอยู่ตลอดเวลาปัญญาจะบอกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอ่าปล่อยมันไปถ้าเราทำอะไรได้ดูแลได้ก็ดูแลไปแต่ถ้าดูแลไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปแต่ถ้าเราอยากจะทดสอบเราก็ต้องทดสอบด้วยการอย่างที่พูดนี้เช่นปล่อยวางมันไม่ให้มันกินข้าวสักสามวันอย่างนี้ ขังมันไว้ในห้องไม่ให้มันไปไหนไม่ต้องไปดูนั่นดูนี่ไม่ต้องไปฟังนูน่นฟังนี่ดูซิว่าเราปล่อยวางร่างกายได้ไหมเราแยกร่างกายได้จริงหรือไม่มการแยกที่ในสมาธินัน้นเป็นการแยกชั่วข่าวเท่านั้นเองแยกในขณะที่จิตสงบตัวลงแต่ไม่พอเพียงต่อการที่จะมาใช้ในการดับตันหาดับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วออกจากสมาธิมาแล้วทีนี้ต้องเอาร่างกายมาทดสอบดูว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราจริงหรือไม่เช่นเอาไปปล่อยมันอยู่ในป่าทึบที่เต็มไปด้วยสิงสารสัตว์ต่างๆเอามันไปปล่อยไว้ในป่าชา้าดูซิว่าผีจะมาทําลายร่างกายนี้หรือไม่ดูซิว่าใจปล่อยร่างกายนี้ได้หรือไม่ไม่วุ่นวายเดือดร้อนกับอะไรที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ได้หรือไม่ นี่คือการทดสอบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วหลังจากที่เห็นใจกับกายแยกออกจากกันแล้วขั้นต่อไปก็ต้องพิสูจน์ว่าแล้วเราปล่อยวางได้หรือไม่ให้มันแยกกันจริงๆได้หรือไม่เช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราปล่อยให้มันเจ็บไปได้หรือไม่หรือเราจะวุ่นวายกับการหาอยู่ขายยาหาหมอเพื่อที่จะมารักษาให้มันหาย หรือนั่งสมาธิไปแล้วปล่อยให้มันเจ็บก็อย่าไปขยับปล่อยร่างกายให้มันนั่งของมันไปไม่ต้องไปขยับมันจะเจ็บก็เรื่องของร่างกายความเจ็บไม่ได้อยู่ที่ใจความเจ็บอยู่ที่ร่างกายในเมื่อใจไม่ได้เป็นร่างกายใจจะไปวุ่นวายกับความเจ็บของร่างกายทําไมอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะพิสูจน์หรือว่าวิธีที่เราจะแยกร่างกายออกจากใจได้อย่างถาวรตลอดเวลาต้องทําแบบนี้ ถ้าเราทำได้แล้วต่อไปร่างกายเป็นอะไรจะไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราทั้งนั้นร่างกายจะอดอยากขาดแคลนอดมื้อกินมือ้อหรืออดหลายหลายมื้อก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่มีอยู่ไม่มียาไม่มีหมอมารักษาก็อยู่กับมันไปตามมีตามเกิดได้ร่างกายถึงเวลาจะต้องตายก็ปล่อยมันตายได้ อย่างนี้ถจะเรียกว่าเป็นการแยกกายออกจากใจอย่างถาวรการแยกกายออกจากใจในขณะอยู่ในสมาธินี้เป็นการแยกเพียงชั่วคราวเป็นเหมือนกับการดูหนังตัวอย่างเท่านั้นหนังจริงยังไม่ดูยังไม่มาหนังจริงตั้งตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วเวลามาเจอเรื่องราวต่างๆที่ไม่ปาถนาของร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เวลวนั้นแหะถึงจะรู้ว่าแยกกันได้จริงหรือไม่ถ้ามีปัญญาก็จะแยกได้ถ้าไม่มีปัญญาก็จะแยกไม่ได้คำถามข้อต่อไปสกุลอัชล า, านะครับทำไมคนบางจำพวกถึงชอบพูดจาแต่ตาหนิผู้อื่นแต่ไม่ยอมมองต้นเหตุว่าเหตุเกิดจากอะไรบางทีเหตุก็เกิดจากผู้ตาหนิเองบ่อยครั้ง <c oughs> แต่ผู้ถูกตาหนิไม่อยากโตเสียง พอผู้ตำหนิประเภทคิดว่าตัวเองดีมีสติตลอดประมาณนั้นแตบบ่คิดว่าตัวเองถูกเสมอแต่ไม่เคยคิดถึงเหตุก่รณจจะแก้ไขอย่างไรดีบางทีก็ใช้หลักโปงกับการอดทนก็ผู้ถามนี่แหละก็เป็นตัวสำคัญก็ไปไปไปเพ่งโทษเขาทำไมถ้าเราไม่ไปเพ่งโทษเขาก็มันก็จบแล้วเขาจะเพ่งโทษเราเพ่งโทษคนอื่นมันก็เรื่องของเขา นี่เราไปว่าเขาเราก็เท่าราก็พอๆกับเขาแหละเพราะเราก็เพ่งโทษเขาแล้วเวลาที่เราว่าเขานี่นี่มันเป็นนิสัยของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตใจของทุกๆคนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องคารหานินทานี่ชอบกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครไม่ชอบหรอกยันอย่ามาอย่ามาบน่นอย่ามาอย่ามาไปวุ่นวายกับ การขารหานินทาของคนอื่นเลยเราก็พอๆกับเขานั่นแหละมาแก้ที่ตัวเราก็พอเราอย่าไปขารหานินทาคนอื่นเขาจะคาหานินทาก็เรื่องของเขามันก็จบชอบมองคนอื่นไม่ชอบมองตัวเองแล้วก็ไปว่าคนอื่นชอบมองคนอื่นไม่มองตัวเองมันก็พอๆกันแหละ คำถามต่อไปครับจากคุณทํำทำนะครับอ่าเลือกถามแค่บางข้อนะครับผมมีหนี้รถยนต์ต้องผ่อนอีกสี่ปีและบ้านผ่อนยี่สิบเจ็ดปีมีหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผมควรขายบ้านปวดหนี้แล้วบวชไหมครับหรือใช้หนี้หมดค่อยบวชตอนแก่ก็ได้ทั้งสองอย่างเนี่ยแล้วแต่คุณคุณจะเอาอย่างไงก็ได้คุณคิดว่าคุณจะอยู่ถึงแก่เลย คุณอาจจะตายก่อนแก่ก็ได้ตายเพราะใช้หนี้เขาไม่หมดก็ได้ตายเพราะเครียดหางเงินหาทองมาใช้หนี้ก็ได้ถ้าคุณขายบ้านได้ตอนนี้ขายไปเลยบวชได้ตอนนี้บวชไปเลยอ่าและอีกคําถามหนึ่งไม่ไม่ค่อยอยากจะถามครับ <c oughs> ถามถามถามเี่วกาบการทำหมันหมานะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าทําแล้วจะบาปไหมอ่าไม่บาปหรอกการทำหมหมาก็เพียงแต่การ ป้องกันไม่ให้เขาไปสืบพันต่อเท่านั้นเองไม่ได้ไปทำบาปไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำร้ายชีวิตเขาไม่ถือว่าเป็นการทำบาปหมดแล้วหรือปัญหาหมดแล้วครับมีอะไรบ้าไม่มีเจ้าค่ะอ่ไม่มีวง อ๋อผู้เช้าน้ำงาล้วกแต่มันทองเลยนังหนูก็ไม่อยู่นั่งนี่บอกไม่ไม่ยอมมึงกูจะไปขายของน้ำม็อกข้าวนึ่งข้าเหนียวอ่ะช่างมอนช่างหัวมันมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ใช่บอกว่ายังก็ต้องไปปูไม่จู้ปูจู้มึงได้แบบก็พูดโทขี่รถไปใส่รองเท้าคั่งเดียวเดียวไม่ทะลึกเนี่ยอนุภาพของธรรมะเห็นไหมธรรมะเราเดียวมันไม่อยากน้องก็จะมาด้วยยังเลยขอไปด้วยมามา คนมีธรรมร้อจะมีความกล้าหาญจะมีความอดทนจะไม่กลัวความเจ็บร้าว แต่ถ้าใจเย็นนี่ก็เป็นสวรรค์ร่างกายอาจจะตกนรกเพราะถูกถูกน้ําร้อนเลอกแต่แต่ใจกลับอยู่บนสวรรค์เพราะใจไม่ร้อนใจมีความสุขขายของจนหมดเลยนี่แหละอนุภาพของธรรมะคนที่มีธรรมะแล้วจะมีความกล้าหาญมีความอดทนจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวต่างๆ เพราะจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพาจากสิ่งที่เราลักที่เราชอบไปเป็นธรรมดาย่อมประสบกับสิ่งที่เราลักเราไม่ชอบเป็นธรรมดาแต่ใจเราจะไม่หวั่นไหวใจเราจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนจะสักแต่รู้ไปอยู่กับมันไป จนกว่าจะไม่มีอะไรให้รับรู้ต่อไปหรือพอร่างกายนี้หมดแล้งก็ไม่มีอะไรต้องมารับรู้อีกต่อไปถ้าใจไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มารับรู้เรื่องราวต่างๆอีกต่อไปใจก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่จะเป็นใจของพวกเราต่อไป ถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันตัวเราเองให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะจนกว่าจะตายไปหรือจนกว่าเราจะบรรลุนี่คือหน้าที่ของเรางานของเราที่เราต้องทำที่เราต้องผลักดันเพราะไม่มีใครที่จะทำให้กับเราได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องงานนี้ไม่มีใครทำให้เราได้ มีแต่เราเท่านั้นที่จะทําให้กับเราได้เองท่านจึงตรัสว่าอัตตาหิตอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอย่าไปหวังให้คนอื่นเข้ามาปฏิบัติให้กับเราอย่าไปคิดว่าได้ไปกราบครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้แล้วท่านจะทําให้เราได้ได้ผลอย่างนั้นผลอย่างนี้ผลทั้งหมดนี้จะเกิดจากการปฏิบัติของเราครูบาอาจารย์เพียงแต่ให้กําลังใจเป็นเป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเท่านั้น ถ้าท่านให้กำลังใจแล้วบอกทางแล้วเราเราไม่ปฏิบัติก็ช่วยไม่ได้มีอะไรจะถามอีกไหมพระอาจารย์ครับวันนี้คุณซูซานที่เป็นชาวอินโดนีเซียครับที่มาขอพระอาจารย์ทำหนังสือมหาเศรษฐีที่แท้จริงภาภาษาอังกฤษนะครับเขาโทรมาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่วัดป่าบ้านตานตอนนี้แต่ว่าพ่อเขาเนี่ย เป็นคนที่ต้องการจะแปลหนังสื อ, อแล้วเขาพระอาจารย์แนะนําว่าให้หาพระในการแปลแต่ว่าเขาไม่สามารถหาพระได้ไม่ได้ว่าพระอาจารย์พอจะมีองค์ไหนแนะนําได้ไหมครับแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่มีหรอกก็เพียงแต่แนะนำเขาไปนะว่าถ้าเป็นพระเขาก็อาจจะเข้าใจหลักธรรมได้ดีกว่าคารวาสเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถึงเวลามันก็มีคนไปเองอะ แ้ายังไม่มีเวลายังไม่ถึงเวลามันก็ไม่มีคนแปลก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็เพียงแต่เขาดำหลีขึ้นมาว่าเขาอยากจะแปลเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลยแนะนำไปว่าถ้าเขารู้จักพระที่รู้ธรรมะด้วยรู้ภาษาด้วยมันการแปลมันก็จะจะไม่ผิดพลาดมากถ้าคนที่ไม่รู้ธรรมะนี่แปลไปก็อาจจะผิดพลาดได้มีความเข้าใจ ไม่เหมือนกันเพราะภาษานี่มันใช้ได้ทั้งทางลูกและในทางธรรมแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคือเราไม่ได้มีความนําเดี๋ยวว่าอยากจะให้ใครแปลให้หรือไม่แปลให้ใครจะแปลก็ได้ไม่แปลก็ได้เหมือนกับหนังสือตอนนี้ที่พวกเรากําลังทํากันอยู่นี้พวกเราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เราไม่ได้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราแล้ว หน้าที่ของเรามีแต่เนี่ยลงมาทุกวันเสาร์อาทิตย์มาพูดธรรมะให้พวกเราฟังส่วนพวกเราจะเอาไปทำอะไรต่อก็ก็เป็นเรื่องของพวกเราที่จะต้องไปพิจารณากันเอาเองก็สำคัญก็คือเวลาทำแล้วก็อย่าให้เกิดการผิดพลาดเท่านั้นเองก็ให้ทำให้มันถูกต้องไม่ต้องรีบร้อนการที่รีบร้อนแล้วทำไม่ถูกต้องกับการที่มันช้าแล้วมนถูกต้องนี่ ช่ให้มันช้าแล้วมันถูกต้องดีกว่าเพราะความเสียหายมันจะไม่มีถ้ารีบร้อนทำเร็วแต่มันทำแล้วมันผิดอย่างนี้คนอ่านแล้วหลงผิดได้หลงทางได้อย่างนี้ก็จะไม่ดีจะเป็นโทษมันจะไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์เขาทัวรมาทางโทรศัพท์เลยทางโทรศัพท์เาอยู่วัดป่าบ้านตกก็ช่วยบอกเขาไปบอกว่าก็แล้วแต่จะหาใครก็ได้ หาพระไม่ได้ก็จะหาใครก็ได้ที่ที่สามารถที่จะแปลได้ก็คิดว่าได้แปลก็ยังดีกว่าไม่ได้แปลก็กําลังคุยกันอยู่ในกลุ่มว่าอาจจะใช้คนที่เัญนญาติธทำเนี่ยครับแต่ว่ารู้ธรรมะหน่อยแล้วก็อ่าสามารถแปลภาษากฤนได้ครับสหภาพไม่ได้ครับอก็ลองดูก็แล้วกันครับอืหมดคําถามแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็หมดเวลาพอดีนะ ก็ขอให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิชพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน